<c oughs> ม, มีผู้บอกมีผู้สอนมีผู้แนะนำมีผู้ห้ามไม่ให้ทำความชั่วมีผู้บอกผู้สอ น, นต้งในความดีมีกันระยะนามตร บอกทางสวรรค์ให้เรียกว่าปฏิระเทศประเทศอันสมควรประเทศที่น่าอยู่เราก็มาดูชีวิตของเร า, าหลายด้านสิ่งเรือนรอมตัวเรา มีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจบหลายหลายอย่างอาหารการกินเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคอะไรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตเรา เป็นส่วนร่วมกับชีวิตของเราที่เราได้อาศัยไม่ใช่เฉพาะ ก, ก่อนเรยนนมิตรเท่านั้นต่ออย่างแม้แต่มดมแมลงก็ยังช่วยเราข้างเราหาจิตแมลงที่เป็นผีเสือ้อจะไม่เกิดสัตูพืช ตุกแกหายินแมลงที่มันเป็นต้าไม้เกิดศัตรูพืชช่วยเราอยู่ต้นไม้ที่อรอบตัวเราก็ช่วยเราอยู่แม้แต่แผ่นดินที่เราอาศัยก็ช่วยเราอยู่ หออย่างที่ช่วยเราเราก็ไม่ควรประมาทแต่บางอย่างก็มีโทษต่อเราที่เราไปเกี่ยวข้องไม่ถูกต้องก็มีอยู่หล้ยอย่างที่ทำให้เราได้พลาดโอกาสไม่ได้อาศัยก็มีอยู่เช่นพวกสัตว์บางเพศ ก็ไปจินสัตว์ที่มันช่วยเราก็มีอยู่เราพลาดโอกาสที่ได้ช่วยกันแต่ก่อนฤดูนี่เสียงโง่โงเสียงสัตว์ในน้ำาลง่งดูหนาว แล้วงมไปทั้งป่าเดี๋ยวนี้ก็งูกินหมดจิงหลีดอยู่ในรูตะขากกินหมดมั่นก็บางอย่างก็จิงหลีดมันคุยคุยเคียในดินเพื่อให้ดินมันล้วนซวยน้ำตกลงในซับซึมลงไปที่มันสร้างรูลึกลงไป ก็จะข้าไปกินแล้วก็ไม่มีสัตว์ที่ไปพวนดินให้ดินมันมีออกซิเจนลงไปในดินรากไม้ที่มันเคยยังรากวป็นดินมันไปตายในดินมันเป็นปุ๋ยทำให้ดินมันร่วนสวยขึ้นมาบางอย่างก็ตายไป <c oughs> ในหญ้ารากหญ้า ที่มันเป็นประโยชน์ต่อดินบางทีเราก็ใช่กับสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นใส่กับ ม, มกสนส้อยชาพปากักไปขีดให้มันตายด้าต้นไม้อะไรต่างๆที่อยู่รอบข้างศาตร์สาราจิงที่ตายหมดต้นไม้ต้นสุดท้ายร่มลงห้าเส่นสุดท้ายแห้งลงเราจะอยู่ยังไง เราค่อยท้องลาบากแน่นอนหลวงถาเคยไปเห็นอา่าอ่าลังกบัดไปที่อินเดียทนอยู่ไม่ได้มันเป็นพายุผุนพายุผุนที่มันเกิดขึ้นแล้วมันหยุดไม่เป็นไม่มีอากาทหายใจมีแต่ผุน มันหมุนอยู่เช่นนั้นไม่มีอะไรต่อต้านมันได้นอกจากป่าไม้โอเ้เขาคนอยู่เมื่อไหร่ก็ล่อนเล่ลงไปอย่ดถ่าุร่มน้ำแม่น้ำต่างๆออเอา ดินเอาอะไรมาสร้างที่อยู่เป็นกระต๊อกกระแทบเหมือนสัตว์เหมือนนกเหมือนหนูมีอูดที่เขาปล่อยทิ้งเดินยังงุกยังแ ก, กอยู่รอวันตายจะสักใ่โสอยู่ตามพื้นที่นี่ถ้ามันเป็นอย่างนั้นในเราจะทำาไง เราได้อาหารจากป่าจากธรรมาชาติได้อาหารได้ยาได้เครื่องนุ่งห่มได้พลังงานจากป่าจากสิ่งแวดล้อมเ ร, เราไม่ค่อยเห็นยังประมาจอยู่ชีวิตของมนุษย์เนี่ยเรานี่ก็อยู่ด้วยกันแท้ๆไปทะเลาะกันไปโกรธกั น, กนยังประมาอยู่คิด ช, ชอบคนนั้นิเกียดคนนี้ ในเรานี่ก็ยังประมาทในเร า, าปล่อยให้ความหลงซึ่งไม่มีประโยชน์เลยกับชีวิตเราทิ้งไว้ความหลงปล่อยให้ความโกรธในชีวิตเราทิ้งความโกรธไว้ในกายในใจปล่อยให้ความรักความฉังอยู่ในกายในใจทิ้งไว้ที่นั่นลุกหลงหลงไปหมดเลย อะไรที่เราได้ทํำแับเรากับสิ่งอื่นวัตถุอื่นที่เหมือนจะเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันมีบ้างไหมแม้แต่ญาตพี่น้องก็ตะเลาะกันเราก็ต้องเบียดเบียนตัวเราอยู่เช่นนี้มันจะมีอะไรที่เราจะมีคุณค่าที่เราจะต้องน้าผูมใจเมื่อเราหอยเหยียบไปเลยขั้นสุดท้าย ในวางใจอย่างสง่างามเราได้ทำอะไรบ้างให้มันคุ้มค่าลองดูเลยนี่นปฏิบัติทำมันทั้งหมดนะแล้วเราช่วยตัวเองเนี่ยแล้วเราช่วยคนอื่นสิ่งอื่นวัตถุอื่นจากที่เคยมีเออลงโกรธเครื่อเฉียงจังไม่เมตตากุณาเกิดขึ้น มันจะเกิดอะไรขึ้นมาในรอบข้างเราต้องเกิดดีแน่นอนแต่ก่อนเรลักญาติพี่น้องในวงแคบๆพอเราเกิดเมตตากรุณาขึ้นมาเป็นพระปัมมัญญาธรรมกวามา้างใหญ่ไพศาลเราลักแม้แเม็ดดิ น, มนเม็ดหิ น, มนเม็ดสายลักทุกอย่างในโลกมันก็จะเกิดอะไรขึ้นมามีน้อมใจเมื่อมีน้อมใจมันเกิดอะไรขึ้น มีน้ำใสเมื่อมีน้ำใสเกิดอะไรขึ้นหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นมานี่คือปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นต้นกำเนิดของการสร้างสารจริงต่างๆครบวงจรหมดเลยอ่าเรามาตั้งต้นตรงนี้กันดูสิเอาละมันหลงเปลี่ยนหลงไปไม่หลงเนี่ยถูกที่สุด มีไหมมีความทุกข์กไปเยือนมั น, มนไม่เหมือ น, นไปทุกข์เนี่ยทําอย่างนี้ไปเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรแล้วก็เป็นไปได้นะอย่างประเทศอินเดียถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีใครไป ไ, ไปเยี่ยมเยือนเพราะมีพระพุทธเจ้าต่อจะโอุบวัตขึ้นที่นั่น คนก็เลยไปอินเดียประเทศที่สกปุกที่สุดหมันหน้าเข้าวงเหม็นขี้เห็นเยี่ยวเขาก็ยังไปหางคนเขาพูดว่าถ้าเห็นแขกกับเห็นงูม่ะให้ตีแขกอย่าไปตีงูมันแขกมันมันมันลอกเก่งเขายังไปนะ ไอ้เป็นคนน่ารักไปเลยเราลักพระเจ้าเราก็เลยลักคนเดียวทั้งประเทศเลยเหมือนแผ่นดินพ่อเราเราใย <c oughs> เราลักชีวิตเราก็รักทุกคนในโลกลักทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่เบียดเบียนตัวเองได้ก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นได้ สงสารตัวเองเป็นก็สงสารคนอื่นเป็นง่ายง่ายให้อภัยแก่ตัวเองเป็นก็ให้อภัยแก่คนอื่นได้ง่ายๆถ้าเราไม่มีเครื่องรับในชีวิตเรามันก็เกี่ยวข้องกับคนอื่นจึงอื่นไม่ถูกต้องนะเราจึงปฏิบัติทำนี่แหละ จะทำยังไงเมื่อไม่มีคนมาวัดนั่งหนองแหลงอยู่นี่แหละจะอยู่ที่ได้ไหมเราหลางวงตอบคงไม่อยู่เนาะเขาไม่อยู่เนาะวัดเนี่ยแล้วไม่มีใครมาปฏิบัติแบบไม่รู้จะอยู่ทําไมไม่ใช่มาบวชมาเฝ้าวัดเฝ้าหวานะอย่างน้อยมีคนสองคนได้คูดคุยกันนะนี่ก็ยังดีนะยังคิดถึงเพื่อนที่อยู่กรุงเทพ หสงดอ่อนใจาพดทตธธนะยังคิดถึงเพื่อนที่นั่นนะอุ่นอกอุ่นจใจมีผู้คนทำความดีช่วยกันอยู่ที่นั่นพูดแต่ความดีถามอยู่ที่นั่นเอัน น, นี้กลัวว่าวัดสุโกโตจะไม่มีใครมานี่จะมไงต้องช่วยกันพวกเรา อะไรที่มันสัมพันธ์มิตรสัมพันธ์นนต่อทุกคนสิ่งต่างๆสร้างสรรค์ขึ้นมาช่วยกันคนหนึ่งทำหนึ่งคนหนึ่งทำหนึ่งให้มีน้าใจคนปูอาหารก็มีน้าใจคนกวดบ้านก็มีน้าใจคนซ่อมแจมอะไรต่างๆดูน้ำดูไฟก็มีน้าใจให้ใบหน้าให้ที่หัวใย หน้าเนื้อหน้าในงานก<ม>ารงานต่างๆ <c oughs> <c oughs> เราให้มเป็นประโยชน์ต่อคน<ม>เพื่อผู้อื่นจึิงอื่นวัตถุอื่นตั้งมาเลยลงไปไม่ใช่เพื่อตัวเองนะ<า>เพื่อสิ่งอื่นวัตถุอื่นเน่้าบางแคหน้าท่า น, น, าานสาดเศร้าาตดเย็นแชกไปเทม า, าเห็น ไม่นอนใจอย่าเลือกที่ลักลักที่ชังจิตใจควงขวางนะนอกวอบอาอีเออเพื่อเผื่อแผ่แตั้งไวเลยทีเดียวไม่ตากูนอมอวิตาปีขาตั้งไว้ไเป็นวิหาร แล้วทาเป็นที่อยู่ของชีวิตเราไว้ก่อนนะจะไม่ไม่มีวันตกต่ำเมตตา อ, อนาคิดเึงใดท ร, รมถึงใดพูดถึงใดประกอบด้วยเมตตากรุณาทั้งต่อร่าเรบลงในหมู่สพรพสิ่งมิตรทั้งหลายตั้งไวให้แน่วแน่อย่าไปตั้งว่า อดีชัวช่วชอบไม่ชอบอย่าไปตั้งแบบนั้ น, น, น, นคนนั่นเป็นมิตรเราคนนั่นเป็นศัตรูเราอย่าไปคิดแบบนั้นคิดแบบนั้นมันเหมือนไม่มีที่อยู่เป็นคนที่พับนะไม่ใช่เหมือนกับคนไม่มีทรัพย์ไม่มีอะไรซั์จนง่าย มีแม่ตาคุณาไว้เป็นเป็นพี่หัวใจที่ว่ามีอดีทรั์ภายในมักจะมีอันอื่นต่อขึ้นมาทำดีได้ง่ายทำชั่วได้ยากเหมือนคนโบรานมีข้าวในยูงในฉลางเหมือนมีทั้งหมดกรโอข้าวเป็นทรัพย์คนโาราณ อันนี้เรามีเมตตากรุณาเป็นรับภายในแล้วก็จะได้อันนี้สงนอนหลับน<อ>นไม่ฝันร้ายกินข้าวนอนได้อายุยืนสัจจะหลายจริงก็ไม่เป็นศัตรูขัวลิลถ้ามีเมตตากรุณา <c oughs> จรูนี้ก็ไม่ใช่สร้างยาก ทำได้เลยมันหลงเปลี่ยนหลงไม่หลงทําได้เลยมันโกรธเปลี่ยนโกรธเป็นไม่โกรธมันทุกข์เปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์ทำได้เลยทุกการทุกเวลาไม่เลือกที่ไม่เลือกเวลาจะนุกดีนะตั้งอย่างนี้มันจะนุกดีมีค่าแต่ละวินาทีชีวิตเราได้สัมผัดสมปันกับ ผมชอบเมือ่ออยู่อย่างนี้บรรลุธรรมได้ง่ายนะอยู่โดยชอบไหมฮิสุต้อ ง, ออองอยอยร้อยเมื่อพวกเธออยู่โดยชอบโลกจะไม่ว่างจากพระอาหารหันต์คืออยู่แบบนี้แหละไม่ต้องไปอะไรต่างๆทมชีวิตของเราเนี่ยให้มันชอบ มันมีทางผ่านมีบทเรียนมีบทศึกษาบทสร้างสรรมาล่อยเป็นดีในชีวิตเรานี่ได้ทุกกรณีนะจะได้มีชีวิตชีวาชีวิตชีวามันเป็นอย่างนี้มันมีไม่เหืออแห้ง ในความแก่ความเจ็บความตายไม่มีความหมายได้มีชีวิตแบบนี้แหละไม่มีความหมายความแก่ความเจ็บความตายความยากความง่ายไม่มีความหมายเลยสาหรับเราความหมายชีวิตเราคือไม่เป็นอะไรที่จะให้มีทุกข์มีโทษแล้วมีก็มีความไม่เป็นอะไร มีกูไม่เป็นไรอย่างเดียวไงเหมือนกับอริซัพบได้ทุกอย่างนี่คือธรรมมีอยู่จริงจริงหที่อื่นไม่พบต้องหัวที่ก้วเหลนมีกายก่ว อ, อกอยาวหวานหนาคืบกายก่ว อ, อกวัดดูจอวัดดูหน้าอกไ่้อกหนึง่ง ยาววา่าหนึ่งงานอะไรก็ยาวแค่ว่าตัวเองว่าใครว่ามันคนสูงก็ว่า้าวไอ้คนสูงคนต่ําก็วา่าต่ำๆหนาคืบหนึ่งไม่ทั้งหมดอยู่เนี่ยปิดนรกก็ที่นี่เปิดประตูสวรก็ตรงนี้นถึงนิพพานมีนิพพานก็อยู่ที่นี่ดับทุกข์ก็ที่นี่พ้นทุกข์ก็ที่นี่ เหตเกิดทุกข์ก็ที่นี่จึงดับทุกข์ก็ที่นี่ฮุนจากทุกข์ก็ที่นี่อ่าไอ้เป็นมนุษย์สมบัติจริงๆนะถ้ามันมีรูปมีนามมันก็ไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นได้ขอบคุณ ม, มากๆคุณพ่อคุณแม่ที่เราเกิดมาได้ใช้ชีวิตที่มันยากแสนยากที่เกิดมาให้มันคุ้มค่า เห็ น, หนมือตัวเองที่ได้คิดถึงพ่อถึงแม่เห็นร่างกายเราที่ได้คิดถึงพ่อถึงแม่ทําดีได้จริงๆเล่าของชั่วได้จริงๆลูกนามเนี่ยมักับตอบแขนพ่อแม่จะบอมือห้นิ้วสิบนิ้วที่ได้มาจากพ่อจากแม่เอามาทําดีได้สําเร็จเราความช่วได้สําเร็จเนี่ยจะเอา รูกบนน้ำไปทำชั่วไม่ได้สงสารพร่สอสงสารแม่ที่เกิดเลี้ยงเรามาลำบากมันทำไม่ได้นะขอให้เราได้แยบใครเรื่องนี้บ้างจะทำความดีได้ไง่ายมากที่สุดเลยหลอยอย่างที่ที่เราทำชั่วไม่ได้ในชีวิตสรเนีย น้อยก็ น, นิ้วมือห้านิ้วสิบนิ้วเป็นของพ่อของแม่ที่เราจะมาทําความดีเนี่ยมันทํำมาได้ความชั่วเนี่คิดก็คิดไม่ได้ความชั่วที่เป็นโทษเป็นโทษเนี่ยจะว่ายัางไงไม่มีใครไปเสียดายในคนพ่อคนแม่เราเนี่ยอนกรมีพระพุทธเจ้า มีธรรมะทำใม้ทำความดีมีกุศลท้ามาเกิดความดีมีอกุศลถ้าเราต้องละมีอยู่จริงๆอกุศลคืออะไรละ่ะกุศลคืออะไรมันก็มีในเราเนี่ยกุศลคือความรู้สึกตัวเฉียเฉลยวฉลาดออกจากทุกคนทุกเป็นอกุศลคือความไม่รู้หลงก็หลงอยู่ตรงนั้น มันมีประโยชน์อลไรสัมผัสดูก็โลจกักเวลาหลงก็ไม่สะดวกชีวิตเวล่าลูกก็สะดวกลุงก็ช่วยทะลุทะลวงทุกอย่างตรงหวางกวงใหญ่ไพศาลไม่มีขอบเขตชีวิตเรา <c oughs> ไม่สงบไม่มีขอบเขตหลัง นี่ไม่ควรประมาทวันหนึ่งก็จะหมดไปเมันทำอะไรไมาได้เมื่อวานเนี่ยพรุ่งนี้ก็ทำไม่ได้แม้มันมีอยู่เมื่อวานก็มีอยู่พรุ่งนี้ก็มีอยู่แต่มันทำไม่ได้มันทำได้คือเดี๋ยวนี้นี่เองจเจอนินนานชาไปทำไมเราควรรู้นี่ก็ ทุกวินาทีก็ยังรู้ได้นะถ้ามีความรู้จึกตัวมันก็จะต้องเห็นอะไรต่างๆเหมืนอนเรามีตามองออกมองดูก็เห็นอะไรๆๆต่างๆการมีความรู้มันเห็นสวรรค์นิพพานเห็นนรกน่นน่อนนะไม่จะปิดมันไม่ได้นะ ทำไมจะเปิดประตูนิพพานมาได้ทําไมจะต้องปิดประตูลงไปได้เพราะมันเห็นอยู่เนี่ยโลกคือทุกข์เนี่ยนิพพานคือไม่ทุกข์เนี่ยจนเหมือนเยินชนิดเนี่ยความทุกขนะ์ควาโกรธความโลภความหลงนะปิดตายทัวเลยจนหัวแทงไปเลยไม่ให้เหยื่อ เยยนว่าหลอเช่าวันทธิจจริงให้อย่าให้หทรงตาโหกกันอยู่นี่นะกลับบ้านซะหทรงตาจะได้ภายย่ามภาบาทกับจานตุ่มจนหลองพระกรมปลอ่อยที่อื่นนะไม่มีใครสอนก็จะไปกินเผือกกินมันไม่ต้องกินข้าวชาวบ้านล่ะนี้จริงข้าวชาวบ้านเพราะคนมีอยู่วัน เห็นมาขามพ้อมก่อนลาบมาขามป้อมได้นะเห็นหมากดินผ้าเหมากดินผ้ามาลาบดอกกิ๊กดอกลังก็ลาบนะใช่ไหมก่อนนะเค้ยลาบไหมเรกกิ๊กดอกลังลองดูสิกินใบไม้ใบหญ้าก็รู้คมเนะอันนี้ไม่มีโคนสงสารหวานก็มีโยมมาจาก ทานค่ายซื้อขนุนลูกเท่าองค์น้าเนี่ยตุ่มน้ำเนี่ยข้าวอย่างดีคัดสรรมาซื้อมาจากอุลีลเซลอะไรยังไงก้าวอย่างดีก็ซื้อมาให้หาอย่างดีข้าวสนานอย่างดี เพราะอะไรพวกเราจึงมีคนช่วยก็เพราะเราช่วยคนถ้าเราไม่ช่วยคนใจผู้ใช้จะมาช่วยเราช่วยตัวเองช่วยคนอื่นจิกเงินวัตถุอื่นอย่างน้อยเราอยู่นี่ก็หล่ออย่างที่เราจ้องช่วยดูแลมีอากาศมีแผ่นดินมีต้นไม้มีน้ำ นี่วันที่หนึ่งจะมีธรรมญาตาิตาตั้งต้นที่ชสยภูมิเดินถึงสุดทางของลำป่าปทาว <c oughs> ตีคห้องโลงเปล่าให้คนหันมาช่วยดูแลธรรมชาติจิงเรือนลมโลกมัน้อน โลกร้อนเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับโลกเนี่ยมันก็ปรับตัวมันอยู่ไม่ได้เหมือนร่างกายเราเมื่อมันร้อนมันเกิดอะไรขึ้นเหงื่อออกเหงื่อออกมาเมืเม่อเหงืออกเกิดอะไรขึ้นเหมือนหมดพลังงานเหลื่อ อ, ออกมากกระทุ้บกระเทือนในร่างกายขาดน้ำตายเลย น, นั่นเอง แต่ก็มีน้ำให้มีน้ำเกลือเกลือเละเท่นถ่ายมากๆเลยมดน้ำในร่างกายก็ตายได้นะโลกแค่ชีวิตเราเนี่ก็ขนาดนี้แล้วถ้าโรคที่มันหนักหนังเสาะหขนาดนี้มันจะเป็นเช่นไรมันปรับตัวที่ใดก็วนไหวแผ่นดินไหวเกิด วายุเกิดท่วาฝนเห็นไหมฝนตกไม่ทีคืนเดียวนพังไปเลยเนี่ยเป็น <laughs> อย่างนี้ถ้าหลวงตาไม่ได้บอกทันก่อนอ่ะอ่าย้ายกว่านี้นะขาดแล้วหลฝ่ายกันครูตรงที่เดินไปจาก จำต้องงานไปสาราเนี่ยขาดเลยตรงแนี้ยนเอาเครื่องเอาไม้ไปเอาไม้ไผ่ขึ้นก่อนถ้าไม่ไผ่ไม่เอาขึ้นไปขวงทางน้ำเนี่ยบ้านกนนิดก็พังไปเลยเลยขาดตรงเนี้ยทำไงประเทศอินโนเซียตายไปเท่าไหร่ข่าวเนี่ยเหมือนมันล้นเกิดอะไรถ้าล้นก็ต้องมีไอยน้ำ เผาห ม, ม, ม, ม้อสมุนแมรน้ำเมื่อรวมร้อนเผาแม่น้ำมเดือดขึ้นน่ะเหมือนเรากาต้มน้ําเนี่ยมันเดือดขึ้นอ่ะน้ามันเดือดขึ้นมันเป็นไงไอน้ามันหนี ไ, นนนไ ป, ไปแห้งหมดเลยนะน้ำก็แห้งแล้วเรต้มนานๆเลที่น้ำเนี่ยหดแห้งไปเลยนะรวมร้อนที่มันเกิดจากดวงอาทิตย์โลกมันร้อนเนี่ยกระทบไปทั้งหมดเลยแล้ว เกิดไอน้ำขึ้นมาไอน้ำเกิดไว้ชนต่ออากาศข้างบนไม่เป็นอวกาศบรรยินก็เกินะพี่เกิดก้อนเมฆเกิดก้อนเมฆก้อนเมฆเกิดก้อนเมฆหนักทนไม่ได้ตกลงมาเป็นน้ำฝนน้ำมันไม่ตกลงมาก็เป็นอไรตกบางก็เป็นตกตอนมันหนักก้อนเมฆหนักก็ตกหนัก บางก็มันที่เป็นหน้ามันตกบางจุยกรจายไม่ทันเป็นลูกเข็บอุบอดลูกอุบอดแม่นบ้ล่ า, าละไรนนะอันอนี้ก็ในร่างกายเรานีก็เท่านี้แต่ถ้าลูกมันจะเป็นยังไงจะป่วยให้ใครละ่ะถ้าเราไม่ช่วยละ่ะ เราอยู่โลกนี่อยู่ในโลกนล้เราเหยียบแผ่นดินเราหายใจเราใช้อาหารอยู่บนแผ่นดินเนี่ยมีทำไมตาบนที่หนึ่งเกิดขึ้ น, นปีที่สิบเอด็ดปีที่สิบเอด็เอ ด, อดลราก็ป้องกันมานานแล้วคนก็เพิ่งมาลูกปีสองปีนี่ เราลู่เรหน้ามาแล้วเลยพูดเรื่องนี้มาจนจนเขาจะฆ่าทิง้งมารักษาป่าจะไหวเด็กหลวงพ่อจะอยู่ในป่าหรือจะอยู่กับคนก็ <c oughs> ามาพูดอย่างนี้นะหลวงพ่อจะอยู่กับป่าหรืออยู่กับคน แล้วอยู่กับป่าก็เขาไม่ได้ในป่ายังมาอยู่กับคนที่นี่เกิมาทํามาหากินเป่าหลวงพ่อก็ไม่ได้ปลูกสัตว์หลวงพ่อก็ไม่ได้เลี้ยงมันเกิดให้เขาหายกินจะทำไงนะยิ่งกินข้ามหัวม้อไปไม่ขาดสวยเลยนะไปบอกเขาห้ามเขาไม่ให้ให้ตัดต้นไม้ขอเป็นท่าบาท โยมเอ้ยไม่มีใครเห็นด้วยหรอกเดี๋ยวนี้ฟื้นเผาศพกูมาโขที่นี่ใช่ไหมนั่ <c oughs> นนอกลัวจะถึงวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วละ่ะหมดเลยแต่ก่อนหัวเผือกของ ม, มันเท่าแข้งเท่าขาเนี่ยเดี๋ยวนี้ปีหนึ่งก็เท่าหัวแม่มือเนี่ยหัวมันนะลูกเด้อย ฝักทองเนี่ยเอาใชจกะบงกะตาไม่ได้ครั้งละลูกก็ไม่ไหวอดี๋วนี้ไม่มีสักลูกเลยฝักทองเดือยก็ไม่มีเราปลูกไปขึ้นแล้วอาหานหมดไปแล้วในที่นี่นะที่อื่นอาจจะยังอยู่นะที่นี่หมดจริงๆนะฝักทองปลูกไมไปขึ้นมะละกอปลูกไมไปขึ้นแตงก็ปลูกไมไปขึ้นแต่ก่อนในแตงเป็นงองกองฝักทองเป็นงองกอง คนหามมาให้นะเดี๋ยวนี้ไม่มีสักหน่อยแลยจินก็ยินคนอื่นปรุกให้ไม่ได้สารพิษเพราะเราเราทำว่าอย่างนี้แหละไม่มีอะไรที่เราจะจะปล่อยทิ้งทำไปได้ไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรให้ทำไวก่อนหลวงตาเขบอกคนว่า หลงตาล่มเหลวใช้ชีวิตอยู่ที่นี่สามสี่สิบปีนี่ล่มเหลวมากงานล่มเหลวทํางานล่มเหลวหมดแต่หลงตาไม่ล่มเหลวไม่ใช่ความผิดของเราเร า, เราบอกหมดแต่คนไม่เชื่อเนี <c oughs> <c oughs> ่ย ไ, ไม่ใช่ความผิดของเราเขาทําเอง เราก็ไม่ได้เสียใจเราได้บอกแล้วน่ะเดี๋ยวนี้บอกว่ามันหลงไม่ดีนะเปลี่ยนหลงซะอ้นก็ยังหลงอยู่ไม่ใช่ความผิดของเราเนาะเราบอกแล้วขวัญโกรธไม่ดียังโกรธอยู่ฆ่ากาันเพราะความโกรธอยู่ไม่ใช่ความผิดของเราเราบอกแล้วบอกแล้วไม่เชื่อเหมือนพ่อใหญ่หวาด ที่ญาติหลงตาเนี่ยตกชายรถชนตายเอามาไหว้ที่ป่าช้านั่งดูศพลูกชายพ่อบอกแล้วไม่เชื่อพ่อพูดสองคำว่าพ่อบอกแล้วไม่เชื่อพ่อนั่งเอาหม้อเข่ากอดเ้าศกหวังเขาง่าตัวเองพ่อบอกแล้วไม่เชื่อพ่ออันนี้ก็อยากจะพูดอย่างนั้นเหมือนกันนะ บอกแล้ไม่เชื่อยังพากันหลงพากันทุกพากันโกรธอยู่ไม่หลงไม่ทุกไม่โกรธก็ได้นะได้นะไม่หลงก็ได้ไม่ทุกก็ได้ไม่โกรธก็ได้ไไดนะแล้วยินว่าหล่ะกลับฝา้อกัน